บัณฑิตจกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งวิสุทธิเจ็ดที่ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับนั้นมาถึงข้อที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งญาณทำให้เห็นข้อ ประพฤติปฏิบัติว่าควรจะดำเนินไปทางไหนในขณะนั้นพลังของสมาธิได้เกิดขึ้นสนับสนุนปัญญาให้แหลมคมขึ้นทำให้ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยกนามรูปหรือขันห้าขึ้นพินิจพิจารณาในแง่ของความเกิดและความดับ โดยสืบเนื่องมาจากความรู้เห็นว่านามรูปล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของรูปคือวิชาตันหากรรมและอาหารเหตุปัจจัยของนามคือวิชาตันหากรรมและพัษสะผู้เจริญวิปัสนาจะยกแต่ละอย่างขึ้นพินิจพิจารณาเช่น พิจารณาว่าเมื่อวิชาดับรูปก็ดับเมื่อตัณหาดับรูปก็ดับหรือเมื่อกมดับรูปก็ดับเมื่อหานดับรูปก็ดับแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของความเกิดรูปเกิดขึ้นเพราะวิชาเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้น รูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นการพิจารณาในลักษณะของเหตุปัจจัยโดยนายนีก็เชื่อมโยงไปถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยพิจารณาเห็นในแง่ของความเกิดดับเช่นกับที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นั้นผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็น เฉพาะในส่วนของความดับของนามรูปหรือของขันทั้ง5ประการและเมื่อเห็นเป็นความดับแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะพิจารณาเห็นเป็นความว่างเปล่าหรือความศูนย์ของนามรูปเนื่องจากเห็นนามรูปเป็นเพียงเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้ว จึงมองเห็นว่าเป็นของศูนย์จากตัวตนและเป็นของศูนย์จากของของตนมองเห็นความว่างเปล่าหรือความศูนย์ซึ่งปรากฏอยู่ในนามรูปโดยสี่นิยะด้วยกันคือตัวก็ไม่มีของของตัวก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มีของของผู้อื่นก็ไม่มี การพิพจารณาเห็นโดยในยะนิผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นของการกำหนดินิดพิจารณาก็จะเห็นความจริงในแง่หนึ่งมุมหนึ่งว่าโลกนี้ถึงแม้จะมีบุคคลอยู่เป็นนันมากมีสัตว์มีสิ่งของอยู่เป็นนันมากก็ตามแต่ความรักก็ดี ความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีได้เกิดขึ้นที่ตนเองและที่บุคคลอื่นอาการที่จิตของบุคคลเกิดกำหนัดขัดเกืองลุ่มหลงมัวเมาก็กำหนัดขัดเกืองลุ่มหลงมัวเมาในกายตนและกายบุคคลอื่นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติได้กำหนดพินิจพิจารณาเห็นว่าตนเอง และบุคคลอื่นก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นของนามรูปหรือของขันทั้ง5ประการมีรูปเวทนาสัญญาสังขารบิ ญ, ญาณตัวรูปเวทนาสัญญาสัสญญาสังขารบิ ญ, ญาณเล่าก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มีอยู่โดยลำพังตนเองแต่มีปัจจัยเข้ามาประกอบก่อให้เกิดรูปขึ้น ก่อให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นปัจจัยที่ให้เกิดรูปคือวิชาตันหกรรมและอาหารปัจจัยที่ให้เกิดนามก็คือวิชาตันหกรรมและภัสสะถ้าหากว่าจะแยกย่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดคือไม่อยู่ร่วมกันก็เหมือนกับการนำเอาเครื่องทพสัมภาระทั้งหลาย ที่มาประกอบกันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถออกจากกันความเป็นบ้านความเป็นเรือนความเป็นรถก็หายไปเราเองและบุคคลอื่นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเป็นเพียงแต่สังขารเท่านั้นเป็นเพียงแต่ของผสมกันเท่านั้นเอง มีการประชุมกันปรุงแต่งกันบังเกิดขึ้นมีการสมมติมีการบังหยัดมีการกำหนดหมายมีความยึดถือไปด้วยอำนาจของตันหามานะทิฐิว่าเป็นของเราบ้างว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างแท้ที่จริงแล้วตัวของเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มี และแม้แต่ของของบุคคลอื่นก็ไม่มีเมื่อมาถึงเมื่อพิจารณามาถึงในจุดนี้ความพอใจความยินดีที่เคยมีอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายก็เริ่มจะผ่อนคลายลงไปจากจิตใจเพราะเมื่อบุคคลมีปรีชาอย่างเห็นถึงความเกิดความดับของนามรูปโดยในยะนิ ก็จะเกิดญาณปรีชาคำนึงเห็นสังขารว่าเป็นของที่น่ากลัวท่านอุปมาเหมือนคนที่จะปลาสุมปลาลงไปในน้ำเข้าใจว่าปลาติดอยู่ในสุมนั้นก็เอื้อมมือลงไปเพื่อจับปลาแต่เมื่อเอื้อมือลงไปแล้วกลายเป็นงูพอเห็นว่าเป็นงูอาการ รู้สึกดีใจเมื่อก่อนก็จะหายไปแต่จะกลับเป็นความตกใจขึ้นมาแทนที่เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องพยายามหาวิธีสลัดงูนั้นให้ออกไปโดยงูจะไม่แว้งกลับเข้ามากัดอีกนั่นก็คือการเวียงให้งูนั้นอ่อนเปรี้ยเพรียง แล้วก็หาโอกาสที่จะเหวี่ยงให้งูนั้นตกไปในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อตอนเองจะไม่ประสบอันตรายเพราะ ง, งูตัว น, นั้นเป็นเหตุจันใดก็ดีอาการที่เกิดความยึดความติดความกำหนัดความเพลิดเพลินเริงลงในตัวเราในของของเราในคนอื่นและในของของบุคคลอื่นซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน แต่เมื่อปัญญาได้เกิดขึ้นไปจากแก่ใจว่าโดยความจริงที่แท้จริงแล้วเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มีของของคนอื่นก็ไม่มีเป็นแต่เพียงของผสมกันเท่านั้นในชั้นของสมมติก็คือสมมติโดยนิยะที่เคยกราบมาแล้วแต่ในชั้นความจริงที่แท้จริงแล้ว ก็เป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าสังขารเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราการที่บุคคลไปมองเห็นสังขารว่าเป็นของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวตนของเราก็ดีนั่นเหมือนบุคคลสวมแว่นสีมองเห็นสิ่งต่างๆไปตามแว่นที่ตนสวมอยู่ในขณะนั้น ใจิตใจของบุคคลที่ถูกตันหาเข้ามากระสิปใจเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีพอใจในอารมณ์ลดนั้นใหญก็จะไปกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจต่อแต่นั้นก็จะกำหนดหมายว่าของเราของเราของเราเรื่อยไปเวลาได้รับการสมมติได้รับการแต่งตั้งหรือแม้แต่การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี้ เรามีแว่นสีคือมานะความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้ก็เกิดความยึดความติดความเพลินในความเป็นเหล่านั้นเมื่อความเป็นได้เลื่อนขึ้นไปในทางที่ตนพอใจความกำหนัดความยินดีความรุ่มหลงก็จะเกิดขึ้นในความเป็นเหล่านั้นแต่เมื่อความเป็นของตนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนา เช่นเสื่อมยศเสื่อมสันเสรินเสื่อมจากตำแหน่งหน้าที่การงานความทุกข์ความโทโมนัสความเสียใจก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นจึงเป็นแว่นสีอีกประเภทหนึ่งแม้แต่การสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวยืนรองสมหรับเดินทางจากโพบสู่โพบต่างๆไม่มีความเปลี่ยนแปลง เป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดด้วยอำนาจของทิฏฐิซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นบุคคลผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาเห็นโดยไยะนี้แล้วก็จะมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของที่น่ากลัวมองเห็นโทษของความยึดความติดความสำคัญมั่นหมายอยู่ในสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยอำนาจตันหามานะหรือทิฏฐิก็ตาม เมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายคล้ายๆกับเบื่อหน่ายงูที่ตัวจับไว้ดังกล่าวแล้วในตอนต้นใจก็ต้องการจะคลายจะพ้นจากอันตรายเหล่านั้นจากสิ่งที่ตนเกี่ยวข้องเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะพิจารณาหาหนทางคล้ายๆกับหาหนทางที่จะทิ้งงูโดยนัยที่กล่าวแล้ว เมื่อมองไปมองมาเห็นโดยนิยะดดังกล่าวคือเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มีของคนอื่นก็ไม่มีแล้วอะไรที่เคยยึดเคยเือเคยกำหนดหมายว่าตัวของเราทรัพสมบัติของเราญาติของเราพี่น้องของเราเพื่อนของเราทรัพสมบัติของคนอื่นหน้าใครน้าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นแท่ที่จริงแล้วมันเป็นการประกอบประชุมกันของสังขารทั้งหมด สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเราคือเกิดขึ้นด้วยอวิชชาตันหากรรมในส่วนที่เป็นนามก็เกิดขึ้นโดวยวิชาตันหและภัษสะเมื่อแยกออกไปก็ไม่มีความเป็นเราเช่นนั้นจิตใจของบุคคลก็จะเกิดความวางเฉยและในขณะเดียวกันก็ต้องการจะพ้นไปจากความยึดติดเหล่านั้นดังนั้นความรู้สึกเหล่านี้ ยังกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนกันเพราะอะไรพระสาวใดที่ความกำหนัดความยินดียังมีอยู่การเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อมองเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งนั้นความกำหนัดความยินดีก็จะผ่อนคลายลงไปและจิตใจก็คลายจะพ้นไปอาการที่เคยกำหนัดยินดียุคเมื่อก่อนก็หยุด จิตในขณะนั้นจึงวางเฉยไม่ยินดีและไม่ยินไรในสังขารทั้งหลายต่อแต่นั้นผู้ปฏิบัติที่มีความรู้สึกวางเฉยในสังขารทั้งหลายนี้ท่านก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงยอดสุดของวิปัสสนาปัญญาหรือความรู้ความเห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้ง ในการปฏิบัตินั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลเมื่อบำเพ็ญมาถึงจุดนี้ที่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสังขารุบเบกขาญาณ น, นั้นก็จะพิจารณาสังขารโดยลักษณะทั้งสามอันใดอันหนึ่งคือย้อนกลับเข้าไปพิจารณาไตรลักษณ์อีกทีหนึ่งแต่การพิจารณาเห็นในช่วงนี้ในขณะนี้ สมาธิก็มั่นคงมากแล้วปัญญาก็แหลมคมมากแล้วเมื่อพิจารณาไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตจนทำให้รู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่ประการซึ่งท่านแสดงว่าถ้าหากบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนามีบุญบา ร, รมีมากไปสร้างสมบุปรวมมาก แม้เพียงชั่วขณะจิตแต่ละขณะนั้นจะกลายเป็นบริกรรมเป็นอุปจาร์เป็นอนุโลมซึ่งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็มอย่างรวดเร็วมากวิปัสนาญาณทั้งเก้านี้จึงชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นทางประพฤติปฏิบัติปรากฏอย่างชัดเจนและในลำดับแห่งความรู้ที่บังเกิดขึ้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติที่เห็นพระไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนก็จะยึดเหนี่ยวเอานิพพานคือความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์มาเป็นอารมณ์ ต่อแต่นั้นก็จะเกิดความคข้กรวนถึงสิ่งที่ปรากฏภายในจิตของตนในช่วงนี้ท่านไม่ถึงกับ น, นับเข้าในวิปัสสนาญาณแต่เมื่อเจริญเข้าไปแล้วก็กลายเป็นภาวนาใหม่ที่เป็นกามาจรกุศลคือเป็นกุศลได้กับ ที่นำบุคคลให้เกิดความรู้ความเห็นมีผลเปลี่ยนแปลงในทางใจที่ประกอบด้วยกุศลจากนั้นไปเมื่อบำเพ็ญเพียรไปโดยลำดับไม่หยุดเสียในระหวา่างการบรรลุมรรคผลก็จะบังเกิดขึ้นคือจิตที่เป็นเนียว อ, อนิพานเป็นอารมณ์นั้น จะกำหนดรู้กิจของอริยสัตว์ทั้งสีประการซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่ายานคือความรู้นั้นได้เกิดผุดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติกำหนดดูอริยสัตว์ทั้งสี่ประการแต่เป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าเป็นญาน ในชั้นแรกจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั้นคือรู้ว่าชาติความเกิดจราความแก่มรณะความตายเป็นต้นนั้นเป็นทุกข์รู้ว่าตัณหาทั้งสประการซึ่งมีลักษณะก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปจิตจะพัวพันหมกมุ่นเพลิดเพลินเริงหลงอยู่ในอารมณ์นั้น และจะเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์การที่จิตใจของบุคคลสามารถละตัณหาได้สละตัณหาออกไปได้ทายถอนตัณหาออกจากจิตได้จิตหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหานั้นเป็นการหลุดพ้นในลักษณะที่ไม่มีอะไร ไม่มีความใหญ่ดีอีกต่อไปเหมือนบุคคลถมเคละลงบนพื้นแล้วไม่ปรารถนาที่จะนำเข้าไปสู่ปากของตนอีกฉะนั้นนั้นก็คือตัวนิโรธเป็นความดับทุกข์เป็นผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับในวิสุทธ์ทั้งเจ็ดประการ เราจะเห็นว่ามรคมีองค์แปดระการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั้นเป็นมรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงซึ่งความรักทุกข์ยานในชั้นต่อไปก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเหล่านั้นว่าทุกข์นั้นเป็นข้อที่ควรกำหนดรู้ไว้เท่านั้นว่า อะไรเป็นอะไรสมุทัยซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นควรละนิโรธความดับทุกข์เป็นข้อที่ควรทําให้แจ่มแจ้งขึ้นภายในจิตมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นเป็นหลักที่ควรเจริญและจากนั้นญาณคือความรู้ก็จะเกิดผุดขึ้น ภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองอีกครั้งหนึ่งว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ตนได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิรอที่ควรทําให้แจ่มแจ้งได้ทําให้แจ่มแจ้งแล้วมรรคที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติก็ได้ประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์แล้วกิเลสประเภทต่างๆ ที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็ชื่อว่าสงบชื่อว่าระ ง, งับชื่อว่าดับไปตามกำลังแห่งญาณที่บางเกิดขึ้นแต่ว่ากิเลส ท, ที่ถูกดับถูกระ ง, งับไปด้วยญยาณนั้นจะเป็นความดับอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะดับความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาที่เคยมองเห็นว่ารูปมีในตนตนมีในรูปรูปเป็นตนตนเป็นรูปเป็นต้นนั้นก็จะหมดไปจากจิตใจของผู้ปฏิบัติความเครือบแคลงสงสัยในคุณพระตนตรายเป็นต้นก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงการเชื่อถือ ในรูปแบบพิธีกรรมศีลวัดเชื่อถือครั้งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยไม่ยุติด้วยเหตุผลก็จะหมดไปจากจิตเช่นเดียวกันทำให้ท่านผู้นั้นเข้าถึงกระแสของพระนิพพานแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นท่านแสดงว่าในลำดับของจิตที่ใคร่ครวญดูสับความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของตดนั้น จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตท่านเรียกว่าปัจจเวคขณะยานคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากพิจารณาเจาะลึกลงไปในแต่ละจุดของจิตในขณะนั้ น, น, นคือพิจารณาถึงมรรคที่ตนได้บรรลุเพราะอะไรเพราะในขณะที่มีสัมมารมรรคนั้นมันมีมิจฉามรรคอยู่ด้วยอาจจะเป็นการเดินผิดก็ได้ เดินถูกก็ได้จะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบพินิพิจณาแต่ปัญญาในชั้นนี้ในผ่านขั้นตอนมามากแล้วมีความแหลมคมพร้อมที่จะวินิจฉัยตัดสินได้ว่าเป็นทางผิดหรือทางถูกจะพิจารณาถึงผลที่ตนได้สัมผัสว่า น, นั่นเป็นนิโรธเป็นความดับทุกข์จริงหรือไม่หรือว่าเป็นความสงบระ ง, งับของกิเลสไปชั่วครั้งชั่วคราว โดยอำนาจของสมาธิที่เคยกล่าวมาในวันก่อนๆก็จะมองเห็นผลประจกักษ์ชัดแก่ใจต่อแต่นั้นท่านก็จะมาตรวจสอบถึงกิเลสที่ทันละได้แล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าหากการปฏิบัตินั้นศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์กิเลสทุกลักษณะทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะหยาบจะกลางจะละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมดไปแต่บางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติจะได้เพียงศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเท่านั้นกิเลสบางอย่างจึงยังละไม่ขาดออกไปจากจิตใจยังมีกิเลสบางชนิดที่มีความละเอียดซึ่งผู้นั้นยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะดูเฉพาะกิเลสที่ท่านละได้แล้ว ว่ามีอะไรบ้างอย่างถ้าหากว่าท่านบรรลุเป็นพระริยบุคคลชั้นโซดาท่านก็เห็นว่าสังโยชน์ทั้งสามประการดังที่กล่าวในตอนตน้นคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นตนความเคลือบแคลงสงสยัยความถือมั่นด้วยศีลและวัตก็จะขาดไปจากจิตใจต่อแต่นั้นท่านจะดูกิเลสที่ท่านยังไม่ได้ละ อย่างในกรณีที่ประเป็นพระโสดาบันดังที่กล่าวแล้วก็จะรู้ว่ากิเลสทีละแล้วก็มีเพียงสามชนิดเท่านั้นส่วนกิเลสประเภทอื่นจะมีแต่เบาบางลงไปเท่านั้นแต่ยังละไม่ได้รือเบาบางไปกว่าสามัญชนมากแต่ยังไม่ได้ขาดหายไปจากจิตใจท่านจึงต้องพิจารณาดูกิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ว่ามีอะไรบ้างซึ่งจะต้องจัดจะต้องทาจะต้องละ เมื่อดูกิเลสแล้วก็จะพิจารณาถึงพระนิพพานในชั้นของเหตุคือการขาจัดกิเลสในชั้นของผลคือความสุขความสงบอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างจริงสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีซึ่งในยะของพระพุทธภาสิทธินี้เป็นการชี้ถึงสภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพาน อันหมายถึงความดับเพลิงกิเลสได้และเพลิงทุกข์ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นเพียงแต่ดับกิเลสได้เท่านั้นเมื่อดับกิเลสได้ความทุกข์ก็ชื่อว่าดับได้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับความร้อนกับไฟความร้อนนั้นเป็นผลของไฟถ้าบุคคลต้องต้องการจะแก้ไขความร้อนก็ต้องดับที่ไฟ เมื่อดับไฟได้ความร้อนก็ชื่อว่าได้ดับไปด้วยดังนั้นความหมายของพระนิพพานในบางครั้งท่านจึงใช้คำว่าดับเพลิงกิเลสบ้างดับเพลิงทุกบ้างซึ่งโดยความหมายแล้วก็เป็นอันเดียวกันแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นการดับกิเลสไม่ใช่ดับตัวทุกเพราะทุกเป็นเพียงผลดังที่กลามาแล้วปัจเจเวคณยานท้งห้านี จะเกิดขึ้นแก่พระริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปส่วนพระอาหารหันต์นั้นท่านจะพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ไม่มีเพราะไม่มีกิเลสให้พิจารณาจึงพิจารณาเฉพาะกิเลสทิละได้แล้วเท่านั้นในช่วงนี้ท่านจึงถือว่าเป็นญาณทัศนวิสุทธ คือความหมดจดแห่งยานอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราพูดตามชั้นของอริยมรรต์ตรงนี้ก็คือสัมมาญาณนะแปลว่าความรู้ที่ชอบต่อแต่นั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็จะหลุดพ้นอย่างแท้จริงที่เรียกว่าเป็นสัมมาปิมุตติซึ่งในการเรียงข้อความนั้นเป็นการเรียงแบบทีจี แท้ที่จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงของขณะจิตนั้นท่านพูดเป็นขณะเป็นขณะเท่านั้นเองดังนั้นจึงมีอาการที่เกี่ยวเนื่องถึงกันมาโดยลำดับคือจะมีการพิจารณาความเกิดความดับไปเห็นไปจากแล้วก็จะพิจารณาเฉพาะส่วนของความดับพอพิจารณาส่วนของความดับจากนั้นไปผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็น สังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวเมื่อเห็นหน่ากลัวก็จะเห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็จะเกิดเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คไข้จะพน้นเมื่อไข้จะพ้นก็จะพิจารณาหาทางพอพิจารณาหาทางแล้วความกำหนัดความยึดติดที่เคยมีก็สงบสงบใจก็วางเฉยในสังขารทั้งหลายจากนั้นก็จะพิจารณาจนดึงจิตเข้าสัมผัสอริยสัจดังที่กล่าวมาแล้ว ในชั้นนี้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิการนคือปริยปริชายานที่เป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดอริยสัจ ท, ทั้งสี่อุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับเด็กที่เรียนบวกลบมาคล่องแคล่วชำนิชำนานแล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนวิธีหารเลขเช่นนั้น ดัง น, นความเปลี่ยนแปลงทางจิตในชั้นนี้จึงเป็นระดับของวิปัสสนากรรมฐานเป็นการมองความจริงอย่างแท้จริงที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจให้มีความสะอาดมีความส ง, งบจนเกิดปัญญาสว่างขึ้นภายในจิตโดยลาดับความรู้ความเห็นอันเป็นยอดวิปัสสนาก็บังเกิดขึ้นภายในจิต ที่ว่าผู้นั้นได้เดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางของรถเจ็ดผลหรือวิสุทธิเจ็ดที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดำับในข้อสุดท้ายท่านจึงเรียกว่ายาณทัศนวิสุทธ์แปลว่าความหมดจดแทงยานคือความรู้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นตัวผลชั้นยอด ของวิปัสสนาหรือเป็นยอดของวิปัสสนาผู้ปฏิบัติชื่อว่าถึงจุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเป็นพระยะบุคคล ร, ระดับต้นคือพระโสดาบันต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป